4. ความพยายามในการก่อกรรมให้สำเร็จอันนี้หมายถึงกำลังใจและความวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยิ่งงานยากเท่าไรก็ต้องอาศัยกำลังใจยาวนานมากขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นคนเขียนหนังสือธรรมะต้นฉบับภาษาไทยใช้เวลาสามวันแบบง่ายๆเพราะเป็นสิ่งที่รู้อยู่ชำนาญอยู่แต่คนแปลเป็นภาษาอังกฤษใช้เวลาเป็นเดือนด้วยกาลังใจที่สูงกว่า เพราะเป็นงานที่ไม่ถนัดไม่มีความชํานาญอย่างนี้เรียกว่าส่วนประกอบของบุญในแง่ความเพียรสูงกว่าแม้องค์ประกอบบุญในแง่การริเริ่มจะไม่เทียบเท่าแต่พลังที่ใช้ไปในการบุญย่อมเหนือกว่าปรุงแต่งจิตให้สุขสว่างมากกว่ากันเรื่องของความสม่ําเสมอในการภาคเพียรก็เป็นตัวแปรให้เกิดความผกพันได้ ความมีวิริยะอุตสาหะต่อเนื่องหนึ่งวันจนงานสําเร็จในรวดเดียวอาจอาศัยกําลังใจยิ่งกว่าคนทําหลายเดือนแบบเรื่อยๆเฉยๆเสอีกและยิ่งถ้ามีความวิริยะอุตสาหะต่อเนื่องทุ่มกายทุ่มใจลงแรงลงสมองเต็มเหนี่ยวแล้วงานไม่เสร็จในหนึ่งวันแต่จําต้องใช้เวลาหนึ่งปีเป็นหนึ่งปีที่หามรุ่งหามค่ําแทบไม่หลับไม่นอนบุญอันเกิดจากกําลังใจที่ต่อเนื่อง จะไม่ใช่แค่เอา365คูณเข้าไปถ้าว่าตัวบุญจะทวีกำลังขึ้นไปเหมือนดอกเบี้ยทบต้นทบปลายเช่นผ่านไปหนึ่งเดือนคูณ10ผ่านไปครึ่งปีคูณร้อยพอครบปีคูณพันแปลง่ายๆว่าผลอันเป็นที่สุดจะเป็น365คูณด้วยพันความเพียรที่สม่ำเสมอนั้น ยิ่งยาวนานยิ่งยืดอายุการให้ผลของกรรมออกไปด้วยยกตัวอย่างเช่นมาอาสาช่วยทำศาลาพักริมทางหนึ่งวันความเหนื่อยเต็มๆวันนั้นอาจเป็นผลเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่มีใครต่อใครมาทำอะไรให้ได้อยู่สบายแต่หากติดสอยให้อยตามคณะสร้างศาลาพักริมทางเพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดอายุขคือว่างจากงานเลี้ยงชีพ ก็มาช่วยสร้างศาลาพักไปเรื่อยจนเต็มเมืองไม่ตายไม่เลิกอย่างนี้นับเป็นความตั้งมั่นชนิดอุทิศชีวิตความหนักแน่นของเจตนาย่อมให้ผลตั้งแต่ในชาติปัจจุบันมีคนมาช่วยให้สุขกายสบายใจไม่ขาดสายและเมื่อกำเพล็ดผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยในชาติถัดไปเขาย่อมได้รับความช่วยเหลือได้เป็นใหญ่ในภาวะสุขสบายยืดยาวหลายสิบชาติต่อให้พลาดพลั้งทาชั่ว ต้องตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ต้องมีจังหวะพักผ่อนยาวๆบ้างความเพียรทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งชั่วชีวิตนั้นมีผลเป็นเชื้อของอุปนิสัยให้แก่ชาติถัดไปได้เช่นกรณีสมัครใจอาสาสร้างศาลาเพราะเกิดใหม่เห็นใครเหนื่อยยากตากแดดร้อนนึกอยากทำที่พักให้นี่เองเป็นความสำคัญของการปลูกฝังนิสัยด้านดีอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ เราะจะไม่ใช่แค่กรรมที่ออกดอกออกผลเป็นเรื่องดีอย่างใดอย่างหนึ่งทว่าจะเป็นนิสัยติดตัวกระตุ้นให้อยากทำอะไรแนวแนวเดียวกันในการเล่นเกมครั้งต่อๆไปซึ่งก็จะเป็นการหล่อเลี้ยงผลดีไว้ไม่ให้ขาดสาย 5. โสมนัสในการก่อกรรม ขอให้เข้าใจว่าโสมนัสเป็นอาการที่จิตปลาบปลื้มในการกระทาอาจจะเป็นก่อนลงมือทาจริงหรือขณะกำลังลงมือทาหรือหลังจากทำสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วโสมนัสอาจเกิดขึ้นเพราะเจตนาอันเป็นบุญหรือบาปก็ได้ยกตัวอย่างเช่นตั้งใจขโมยวัตถุล้ำค่าราคาแพงกว่าจะเข้าไปขโมยได้ต้องผ่านด่านผ่านอุปสรรคยากเย็น ดังนั้นเมื่อขโมยมาครอบครองได้จึงบังเกิดความปลาบลืมความภูมิใจในฝีมือของตนเป็นล้นพน้นซึ่งนั่นก็ยิ่งตอกย้ำให้บาปตรึงแน่นมั่นคงมากขึ้นเป็นทวีคูณเพราะนอกจากจิตจะเขลาไม่ทราบว่าเป็นบาปแล้วยังสำทับด้วยความหลงเห็นว่าควรชื่นใจปราบลืมปรีดาเข้าไปอีกอย่างเช่นแทนที่การขโมยของราคาล้านบาท ควรให้ผลสนองคืนเป็นการถูกขโมยของราคาหนึ่งล้านถึง10ล้านอาจจะเป็นคราวเดียวหรือผ่อนส่งก็ได้แรงโสมนัสก็ทวีค่าของที่จะถูกขโมยเป็นร้อยล้านหรือพันล้านเป็นต้นสำหรับงานบุญความเข้าใจและความเพียรจะเป็นตัวกำหนดว่าโสมนัสจะเกิดมากหรือน้อยเพียงใดยิ่งเข้าใจว่าทำอะไรลงไปจะเกิดผลดีแบบไหน ประกอบ ก, บกับการมีความเพียรเพื่อเอาชนะอุปสรรคมุ่งมั่นทำให้สำเร็จให้จงได้สมนัตก็จะยิ่งแรงซึ่งก็ขยายพลังบุญทำให้ย้อนกลับมาสนองคุณรวดเร็วและหนักแน่นยิ่งยิ่งขึ้นการโลเลกลับไปกลับมาเดี๋ยวอยากทำเดี๋ยวไม่อยากทำจะเป็นเหตุบั่นทอนสมนัตได้มากแต่ถ้าคิดดีได้ตลอดสมนัตก็เกิดเต็มที่บุญก็ภาสารสมบูรณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงก่อนทรรมและขณะธรรมสำคัญที่สุดหากรักษาความคงเส้นคงวาไว้ได้แค่สองช่วงนี้ก็นับว่าเลิศแล้วแม้โสมนัสมาแหวงวิ่นหลังทรรมบ้างก็จะมีผลเสียน้อยกว่ากันในเรื่องของโสมนัสหลังทรรมบุญนั้นเป็นตัวบวกที่ทุกคนประจักษ์จริงได้ง่ายๆทุกคนมักมีบุญประเภทงานชิ้นโบแดงอยู่สักอย่างสองอย่าง คือทำาละมักหวนกลับมานึกถึงบ่อยๆสักช่วงหนึ่งนึกถึงทีไรก็ปราบลืม้มไม่ต่างจากได้ทำบุญซ้ำยิ่งถ้าคุณฟังใครบอกว่าได้รับประโยชน์จากงานของคุณมากๆโสมนัสในงานบุญนั้นๆก็จะยิ่งขยายผลออกไปเพราะเกิดการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบุญดังกล่าวเพิ่มเติมนั่นเองโสมนัสเกิดขึ้นซ้ากี่ครั้งบุญก็ยิ่งทับทวีมากขึ้นเท่านั้น นี่คือธรรมชาติอันมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของบุญตราบเท่าที่คุณไม่หมดแรงปลื้มตราบนั้นบุญยังแพร่ขยายได้ราวกับดอกเห็ดแต่ถ้าคุณลืมลืมบุญที่ทำไปแล้วหมดสมนัสหมดความผูกพันกับบุญแล้วบุญก็จะคงที่อยู่ในระดับนั้นๆและรอจังหวะให้ผลแบบผ่อนส่งหรือเต็มกำลังต่อไป